สปริตตติภะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระเหตุปัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นปริตตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นปริตตะเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะขันธ์สามในกระตตารูป อาศัยขันหนึ่งที่เป็นปริตะเกิดขึ้นอาศัยขันสองหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นมหคตะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นมหาคติอาศัยหาทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นมหาคติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นมหาคติอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นกระตัตรารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น 2. สภาวธรรมที่เป็นมหาคติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหาคติเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นมหักตะเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นมหักตะเกิดขึ้นประเหตุปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทานรูปอาศัยขันที่เป็นมหักตะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัตรารูปอาศัยขันที่เป็นมหักตะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นมหักตะ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นมหคตะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามและกระตาตารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นมหคัตะเกิดขึ้นอาศัยขัน 2. สองสสภาวธรรมที่เป็นอัปมาณะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัปมาณะเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่ง ที่เป็นอัปปามะนาเกิดขึ้นอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอปปมานะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นอปปมานะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นอปปมานาอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอปปมานาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่ง ที่เป็นอัปมนาเกิดขึ้นอาศัยขันสอง 4. สภาวธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นอัปมานะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่จิตตสมุฐานรูปอาศัยขันที่เป็นอัปมานะและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นมหากตาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นมหาคตะและอาศัยมหาพุตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นมหาคตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นมหาคตะเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิข ณ, ณะขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นมหาคตะและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองสภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นมหาคตะ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นมหักตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นมหักตะและอาศัยหัตถวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันสองกตั้ตารูปอาศัยขันที่เป็นมหักตะและอาศัยมหาปูตรูปเกิดขึ้นอารมณปัจจัย 5. สภาวธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะ เกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นปริตะเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันอาศัยหทเทวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นมหคตตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันที่เป็นมหคตตอาศัยหาเยวัตถุเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นมหคัตตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหคัตตเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นมหคัตตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นอปมาณะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภมาณะเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอภมานะเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองสภาวธรรมที่เป็นมหคัตต อาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นมหาคตะเกิดขึ้นเพราะอารมะณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นมหากตะและอาศัยหทัยวตถุเกิดขึ้นอาศัยขันสองอธิปฏิปัจใจหกสภาวธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุฐานรูป อาศัยขันหนึ่งที่เป็นปริตะเกิดขึ้นอาศัยขันสองมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นมหคัตตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหคัตตเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นมหคัตตเกิดขึ้นอาศัยขันสองสภาวธรรมที่เป็นปริตะ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหคัตเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นมหคัตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นมหคัตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหคัตเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นมหคัตเกิดขึ้นอาศัยขันสองสภาวธรรมที่เป็นอภปมาณะ อาศัาสยสภาวะธรรมที่เป็นอปปามะนะเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอปปมานะเกิดขึ้นอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอปปมานะเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันท well, uhm, anyway> ี่เป็นอปปามะนะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นอปปมานะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอปปมานะเกิดขึ้น เพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอปปมานะเกิดขึ้นอาศัยขันสอง 7. สภาวธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นอปปมานะเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่จิตตะสมุฐานรูปอาศัยขันที่เป็นอปปมานะและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นปริตะ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นมหกตะเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นมหกระตะและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอนันตระปัจจัยเป็นต้น8สภาวธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะอนันตระปัจจัยเพราะสมนันตระปัจจัยเพราะสหชาติ ป, ปัจจใจพึงเพิ่มมหาภูตรูปเข้าทั้งหมด เพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนิสยาปัจจัยเพราะอุปาณิสยาปัจจัยเพราะปุเรชาตปัจจัยพึงเพิ่มเป็นสามวาระเพราะอาเจวนปัจจัยพึงเพิ่มเป็นสามวาระเพราะกรรมปัจจัยเพราะวิบากปัจจัยมี13วาระเพราะอาหารปัจจัยเพราะอินทรียะปัจจัยเพราะชาณะปัจจัยเพราะมัคคะปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัย เพราะอัติปัจจัยเพราะนัตติปัจจัยเพราะวิคตะปัจจัยเพราะอาวิคตะปัจจัย 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาระ 9. เหตุปัจจัยมี13วาระอารมณปัจจัยมีหวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระอนันตระปัจจัยมีหวาระสมนันตระปัจจัยมีหวาระสหชาตะปัจจัยมี13วาระ ปัญญมัญญปัจจัยมีเจดวาระนิสยปัจจัยมีสิบสาวาระอุปานิสยปัจจัยมีห้าวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระอาเจวณปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสิบสาวาระวิปากปัจจัยมีสิบสาวาระอาหาราปัจจัยมีสิบาวาระอินทรียปัจจัยมีสิบสาวาระชานะปัจจัยมีสิบสาวาระมัคคปัจจัยมีสิบสาวาระ สัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัยมี13าวาระอธิปัจจัยมี13าวาระนัติปัจจัยมีห้าวาระวิคตะปัจจัยมีห้าวาระอวิคตะปัจจัยมี13าวาระอนุโลมจบ 2. ปัจยะปัจญจิยะ 1. วิพังควาระนเหตุปัจจัย 10. ส, สภาวธรรมที่เป็นปริตะ อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะหน้าเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งเป็นปริตะเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะหาทายวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นาามหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐาน สำหรับเราอสัญญาสัตวพรมมหาภูตรูปหนึ่งโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธะอาศัยขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรฆด้วยอุทธะเกิดขึ้นณอารมะณปัจจัยสิบเอสภาวะธรรมที Normally, ่เป็นปริตะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะณอารมะณะปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นปริตะเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะประตัทตารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นปริตะเกิดขึ้นหาทายวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีโอตุกเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญญาสัตรพรมมหาภูตรูปหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหากตะเกิดขึ้นเพราะนะัอธรรมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นมหคัตะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะประตัทตารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นมหคตะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัปปามะนะเกิดขึ้นเพราะนอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอัปปามะนะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นอัปปามะนะ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 และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นณอธิปติปัจจัย 12. สภาวธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นปริตะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะหาทยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหาทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสำหรับเหล่าอสัญญสัตตพรม สภาวธรรมที่เป็นมหาคติอาศัยสภาวธร <บ Samantha. S 1> รมที่เป็นปริตตเกิดขึ้นเพราะนอธิปติปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นมหาคติอาศัยหะทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นปริตต์และที่เป็นมหาคติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตต์เกิดขึ้นเพราะนอธิปฏิปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นมหาคติอาศัยหะทัยวัตถุเกิดขึ้น กระตาตาลูปอาศัยมหาปูตรูปเกิดข right ึ้นสิบสาสภาวธรรมที่เป็นมหากคตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหาคตะเกิดขึ้นเพราะอนัตติปฏิปัจจัยได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นมหาคตะอาศัยขันธ์ที่เป็นมหาคตะเกิดขึ้นอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นมหาคตะในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นปริตตาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหาคตะ เกิดขึ้นเพราะนอธิปติปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งเป็นมหคัตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตั้ตารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นมหคัตเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นปริตฐะและที่เป็นมหคัตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นมหคัตเกิดขึ้นเพราะนอธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบาก ซึ่งเป็นมหาคตะเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะ 14. สภาวะธรรมที่เป็นอปัปปามะนะมาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอ GE ัปปามะนะเกิดขึ้นเพราะนอธิปฏิปัปจจัยได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นอปัปปามะนะมาศัยขันที่เป็นอัปปามะนะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นมหาคตะเกิดขึ้นเพราะนอธิ ป, ปติปัจจัยได้แก่ จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งเป็นมหากคตะและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะประตัารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นมหากคตะและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นมหาคตะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นปริฏตะและที่เป็นมหาคตะเกิดขึ้นเพราะน้าอธิปฏิปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นมหากคตะ และอาศัยหัตถวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นมหาคตะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นมหาคตะเกิดขึ้นเพราะณอธิปฏิปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นมหาคตะและอาศัยหัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันสองกระตั้ตารูปอาศัยขันที่เป็นมหาคตะและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น ณอนันตระปัจจัยเป็นต้น 15. สภาวธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะณอนันตรปัจจัยเพราะณสมณันตระปัจจัยเพราะณอัญญมัญญปัจจัยเพราะณอุปาณิสยปัจจัย นภุเรชาตปัจใจสิบหสภาวธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะนภุเรชาตปัะตะปจจัยได้แก่ในรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นปริตะเกิดขึ้นอาศัยขันสองจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นปริตะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามและกะตัตารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นปริตะเกิดขึ้น อาศัยขันสองพึงขยายมหาภูตรูปทั้งหมดให้พิสดารในอรูปาวจรภูมิบทที่มีปริตะเป็นมูลมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นมหากระตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหากระตเกิดขึ้นเพรณบุเรชาตะปัจจัยได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่เป็นมหากระตในปฏิสนทิขณะสภาวธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหากระต เกิดขึ้นเพราะนบุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นมหัคตะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัตารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นมหัคตะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นปริตตะและที่เป็นมหัคตะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นมหัคตะเกิดขึ้นเพราะนบุเรชาตปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์สามและกระตัตารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นมหัคตะเกิดขึ้น อาศัยขนัสนสอง ส, สิบเจ็ดสภาวธรรมทีม่เป็นอัปมานะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัปมานะเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจ si. ัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัปมานะสภาวธรรมที่เป็นปริตฐะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัปมานะเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตะปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นอัปมานะเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป be ็นปริตะและที่เป็นอ AH ัปปามะนะเกิดข ah ึ ah ้นเพราะหนปุเรชาติปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอัปปามะนะและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นมหากตะเกิดขึ้นเพราะหนปุเรชาติปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นมหากตะ และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ <alone> สภาวธรรมที่เป็นมหาคติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริคตะและที่เป็นมหาคติเกิดขึ้นเพราะเนปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามอาศาัยขันหนึ่งที่เป็นมหาค ต, ติและ <alone> 3, <ๆ> <alone> อาศาัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นปริคตะและที่เป็นมหาคติอาศาัย <alone> กกสภาวธรรมที่เป็นปริคตะและที่เป็นมห <alone> าคติ เกิดขึ้นเพราะหน้าปะชาตาปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นมหาคตะและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันสองกตัลตารูปอาศัยขันที่เป็นมหาคตะและอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นน้าปะช้าชาตาปัจจัยเป็นต้น 18. สภาวะธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะน้าปะช้าชาตะปัจจัย เพราะนะ่ะอาศัยวณัปจารได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นปริตะเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาโพตรูปหนึ่งสำหรับเราอาสญญศัยเสัตถพรมมหาภูตรูปหนึ่งสภาวะธรรมที่เป็นมหากตะ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 สภาวธรรมที่เป็นมหัคตาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหัคตาเกิดขึ้นเพราะหน้าอาเสวณปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นมหัคตาเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นมหัคตาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นปริกตาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหัคตาเกิดขึ้นเพราะหนอาเสวณปัจจัยได้แก่ จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นมหคัตะเกิดขึน้น e ในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นมหคตะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นมหคัตะเกิดขึ้นเพราะเนอสิวณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นปปนิบาซึ่งเป็นมหคัตะเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นมหคัตะตยี่สิบ สภาวธรรมที่เป็นอัปมานะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัปมานะเกิดขึ้นเพราะหนอาอสิวณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นอัปมานะเกิดขึ้นขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัปมานะเกิดขึ้นเพราะหนอาอสวณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอภปมานะเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นอัปมาณะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัปมานะเกิดขึ้นเพราะณอาศวณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นอัปมาณะเกิดขึ้นยี่สิอ็สภาวธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นอัปมานะเกิดขึ้นเพราะณอาศวณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอปปมานะและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นปริตตะและที่เป็นมหาคตะเกิดขึ้นเพราะเนาเสวนปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นมหาคตะและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัตตารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นมหาคตะและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นมหคตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตาและที่เป็นมหคตะเกิดขึ้นเพราะนัอเสวนปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นมหคตะและอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันสองสภาวธรรมที่เป็นปริตตาและที่เป็นมหคตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตาและที่เป็นมหคตะเกิดขึ้นเพราะนัอเสวนปัจจัยได้แก่ ในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นมหาคตาและอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันสองกตั้ตารูปอาศัยขันที่เป็นมหาคตาและอาศัยมหาปูตรูปเกิดขึ้นนกรรมปัจจัย22สภาวะธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะนกกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นปริตะ อาศัยขันธ์ที่เป็นปริตะเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฐาน Cinderella. ที่มีอุตุเป็นสมุทฐานมหาภูตรูปหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นมห <ulo> คตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นมหคตะอาศัยขันธ์ที่เป็นมหคตะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอปมาณะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอปมานะเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่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 จิตตสมถานรูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญญสัตยพรมมหาภูตรูปหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นมหาคติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหาคติเกิดขึ้นเพราะนวิปากระปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นมหาคติเกิดขึ้นอาศัยขันสอง สภาวธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหาคตะเกิดขึ้นเพราะนวิปากับปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นมหาคตะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นมหาคตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหาคตะเกิดขึ้นเพราะนวิปากับปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นมหาคตะเกิดขึ้นอาศัยขันสอง สภาวธรรมที่เป็นอัปมานะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัปมานะเกิดขึ้นเพราะนวิปากับปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอัปมานะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัปมานะเกิดขึ้นเพราะนวิปากับปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอัปมานะเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นอัปมานะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัปมานะเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุฐารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอัปมานะเกิดขึ้นอาศัยขันสองสภาวธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นอจจัปมา n เกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจัยได้แก่จิตตสมุฐารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอภปมา n a และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นมหาคตะเกิดขึ้นเพราะนวิปากัปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นมหาคต ani, ะ แ, ตตและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นณอาหารระปัจจัยเป็นต้นยี่สิบสี่สภาวธรรมที่เป็นปริตะ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเกิดขึ้นเพราะนะอาหารปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอสัญญาสัตรพรมพึงขยายให้พิสดารเพราะนะอินทริยปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอสัญยาสัตยพรมรูปประชีวิตินรีอาศัยมหาภูติรูปเกิดขึ้นเพราะนะชานะปัจจัย ได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยปัญจวิญญาณที่เป็นภายนอกสําหรับเหล่าอาสัญญาสัตว์พรมมหาภูตรูปหนึ่งพึงเพิ่มมหาภูตรูปทั้งหมดเพราะนมคราปัจจัยได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งเป็นปริตะในปฏิสนทิขณะที่เป็นอเหตุุกะอาศัย ม, มหาภูตรูปหนึ่งพึงเพิ่มมหาภูตรูปทั้งหมดเพราะน่นสัมปยุตตะปัจจัย เพราะนวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ในรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นปริฏตะเกิดขึ้นอาศัยขันสองที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอาศัยญญสัตตพรม ส, สภาวธรรมที่เป็นมหากตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหากตเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ในอ ร, ปรูปาวจรภูมิอาศัยขันหนึ่งที่เป็นมหากต สภาวธรรมที่เป็นอัปปามะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัปปามะเกิดขึ้นเพราะหนะวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัปปามะเพราะโนนติปัจจัยเพราะโนวิคตะปัจจัย 2. ปัจยะปัจญะยองสังคยาวาระยีห้นเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอานอรมณปัจจัยมีห้าวาระ ณอธิปติปัจจัยมี10วาระณอนาตตะปัจจัยมีหวาระณสมณันตระปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีหวาระณอุปาณิสยปัจจัยมีหวาระนปุเรชาตะปัจจัยมี12วาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมี13วาระณอเสวนปัจจัยมี13วาระนกรรมปัจจัยมีสวาระณวิปากปัจจัยมี9้าวาระ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 26่ณอารมณะปัจจัยคาเพสตุกปัจจัยมีหวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมี10วาระณอันันตระปัจจัยมีหวาระณสมนันตระปัจจัยคาเพตุกปัจจัยมีหวาระณอัญญามัญญาปัจจัยมีหวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยมี12วาระณปัจชาชาตปัจจัยมี13วาระ ณอาศัยวณปัจจัยมีสิบสามวาระณกรมมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมี9ก้าวาระณสัมยุตตปัจจัยมีห้าวาระณวิปุญตปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจญญาจบสปัจญญยปัจญญานุโลมยี่สิบเจ็ อารามณปัจจัยกับนเหตุตปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระพึงนับอย่างนี้ปัจญจิยานุโลมจบปฏิจจวาระจบสหชาตาวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ